มีคำถามไหมมีคำถามค่อนข้างเยอะครับว่าจุบยี้จะขอถาม เรื่องของการปฏิบัตินะครับจะตัดส่วนที่เกี่ยวกับพุทธวจนะวินัยหรือแม้กรทั้งความรู้อื่นๆออกไปนะครับจะต้องการเฉพาะเรื่องการปฏิบัติอย่างเดียวนะครับการเดินจงกรมถ้าเรารู้กายและจิตหลุดออกไปจําเป็นจะต้องดึงจิตตรงนั้กลับมาได้ไหมครับเอ่อ ต้องบอกว่าจำเป็นเพราะพระศ า, ศาสดาสอนให้เราดึงจิตกลับมานะถ้าเราไม่ดึงจิตกลับมาเราจะทำอะไรนะขณะที่จิตหลุดไปปั๊บเนี่ยรูเจ้าบอกนั่นคือเธอกำลังพอใจและเธอกำลังมีความเพลินอย่างที่ตรัสกับมิฆาชละบอกมิฆาชละแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่มสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปเสียง กลิ่นรสปุะพระธรรมรมจิตหลุดไปไปอะไรละ่ะไปเพลินในอะไรรูปหรือเปล่าเสียงหรือเปล่ากลิน่นรถโุถะพระธรรมรมหรือเปล่าผิดหมดเลยนะเนี่ยเสียไหมมีอะไรนอกเหนือจากนี้ที่จิตหลุดไปแล้วจะไปมัง้งไม่มีนะครูเจ้าบอกว่า <c oughs> ถ้าเธอไปเพลิดเพลินเร่าสนเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ นันทิย่อมเกิดขึ้นจิตย่อมหลุดไปปุ๊บผู้เจ้าบอกนั่นเธอกำลังมีนันทิและวนะไปเพลินละแล้วลย่อมบอกว่าควรจะดึงกลับมาไหมนะก็ต้องวิเคราะห์หลักการผู้เจ้าให้ดีนะเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีคือความพอใจอย่างแรงกล้านะเมื่อสาราคะมีอยู่สัญญคะ ความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีเห็นนะมพิสูุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการลูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอํานาจอํานาจแห่งความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนะลองไปดูต่อสิครูเจ้า ว, ว่ายัางไงต่อ พระองค์บอกแม้จะเสพเสนาสนะอันเป็นป่าช้าป่าชัดนะซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงขึ้ ก, ก้องคกุกขึโครมน้อยปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทําการรับของมนุษย์เป็นที่สมควรแก่การเหล็กเล่นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราก็ออยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเอง ก็แสดงว่าโยมยังมีเพื่อนสองอยู่ถึงแม้โยมจะไปอยู่ในท้องถ้ำเชงเนิมผาป่าชา้าป่าชัดก็ตามนะข้อนั้นเพราะเหตุเพราะเหตุไร น, นะเพราะเหตุว่าตัณหานั้นแลเป็นเพื่อนสองของพิสษจน์นั้นโยมยังมีตัณหาอยู่ตัณหานั้นอันพิสษุนั้นยังละไม่ได้แล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองตกลงแล้วเราต้องละไหมนะผู้เจ้าก็าตอบนะอ่าจะชัดเจนนะอ่นะ <c oughs> ครับในขณะที่จิตนั้นฟุ้งออกไปนอกกายนะครับแล้วเราดึงกลับมาขณะนั้นเราแทบจะไม่มีความรู้ตัวอยู่เลยนะครับเนื่องจากฟุ้งออกไปแล้วจะทำอย่างไรเพื่อเป็นการดึงจิตให้กลับมาให้เร็วที่สุดก็นึกถึงลมหายใจให้ได้ย่อมบอกหลุดไปถ้บจะไม่มีความรู้ตัวก็เพราะเราไม่ได้ฝึกไง นั่นคือเราละนันทิช้าใคร ล, ละได้เร็วดูกระพริบตาผู้เจ้าจึงชมว่าอินทรียพนาชันเลิศผู้เจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าชันเลิศคือกระพริบตาเดียวโยมหลุดไปกี่ชั่วโมงแหละนะนั่งชั่วโมงนึงหลุดไปทั้งชั่วโมงหรือเปล่าหรือหลุดไปครึ่งชั่วโมงลดลงมาให้เหลือสินาทีห้านาทีสามนาทีสองนาทีพอกระพริบตาเดียวผู้เจ้าชมละเธอมีอินทรียพนาชันเลย นี่มันก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่าเป็ น, ปนการดึงกลับลองไปดูอินทรีย์พานาชั้นเลิศนะดัด บ, บอกกับพระนนท์ว่าอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจนะอันบังเกิดขึ้นกับพิสุทธินั้นเนี่ยดับไปได้เร็วดุจกรารกระพริบตาของคนนะอุเบกหายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรีย์พานาชั้นเลิครูชา้าต้องการให้ดับอย่างรวดเร็ว แล้วออกกลับมาที่กายของเราหรืออุเบกขานะอย่างนี้แล้วยอมจะให้มันเพลินต่อไปก็ไม่ได้ละไม่ใช่ละไม่ยอมกลับมานะแล้วยิ่งหลุดไปถ้าในอกุศลแล้วเป็นยังไงถ้าหลุดไปในอกุศลเนี่ยผู้เจ้ายิ่งหนักเลยเธอต้องใช้อะไรฉันทะวายามะ คล้ายใช้ฉันทาความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุโสลหฮีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนด้วยนะเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนบุรุษบุคคลเนี่ยมีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันใยลุกโผร่แล้วจะพึงกระทําซึ่งฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลหฮีปฏิวานี สติสัมปชัญญะอันแหลงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศิษะนั้นเสียชันใดก็ชันนั้นแล้วตกลงแล้วต้องดึงกลับมาไหมกี่พระสูตรเนี่ยบอกให้ดึงกลับทั้งนั้นเลยนั้นถ้าโยมอยากทราบพระสูต ร, ตรตรงนี้เยอะๆนะไปดูที่อินทรีสังวรที่ทำไว้ให้ตัวนี้ ตัวนี้รวมพระสูตรลักษณะเดียวกันไว้ถึง60กว่าพระสูตรนะไม่มีเลยที่พระเจ้าให้เพลินไปกับอารมณ์หรือไม่ยอมดึงกลับนะถ้ายมเจอพระสูตรไหนช่วยบอกด้วยนะเพราะคําพระเจ้าจะต้องไม่ขัดแย้งกันนะนะนั้นเรารวมพระสูตรที่สอนรับกันอย่างนี้ได้ถึง60กว่าพระสูตรนะอย่างนี้ครับนอกจากนามรูปที่ เราต้องดูอยู่เป็นประจำในขณะปฏิบัติธรรมการที่นามรูปเปลี่ยนแปลงไปเป็นพิเศษหรือไม่พิเศษก็ตามบางครั้งเราแทบจะไม่รู้สึกในการดูตรงนั้นเลยเป็นเพราะสาเหตุใดเพราะมันเป็นสังโยชน์เบื้องเบื้องสูงงสิเวลามีการเปลี่ยนแปลงของจิต ในเนื้อเรื่องที่มันหยาบๆเราก็รู้สึกแต่พอเนื้อเรื่องที่ละเอียดเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังอยู่ในอารมณ์นั้นก็เหมือนกับที่ยกตัวอย่างบอกโยมนั่งเนี่ยเงียบไม่คิดอะไรบอแต่เราคิดอืมตอนนี้ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยความคิดลักษณะอย่างนี้ไม่คิดอะไรแต่ตอนนี้คิดแล้วแต่ไม่รู้ว่าคิดนะอย่างนี้นั้นเวลามันปรุงขึ้นมาปั๊บเนี่ยในลักษณะสังโยชน์เบื้องสูง ที่เป็นรูปปลาฆ่ารูปราคะมานะอุทธจักอวิชาปุ๊กเนี่ยย่อมจะไม่รู้ตัวปรุงขึ้นมาเป็นมานะเนี่ยถือตัวยกตัวลดตัวถือตัวจัดทำพระหัวดือ้ออตินิปาตาสําคัญตนว่าเลวย่อมจะไม่รู้ตัวเพราะมันเป็นหน้าตาของมานะมันปรุงแต่งเหมือนกันกิเลสแบบไหนก็ตามมันใช้อะไรมาปรุงใช้ขันห้ามาปรุงมันใช้ขันแค่ห้าขันนะนะเหมือนเดิมหน้าตามันเหมือนเดิมเลยสัญญาสังขารมันเดิม แต่เนื้อเรื่องมันเปลี่ยนไปเราไปสนใจเนื้อเรื่องมันก็เลยมองไม่ออกว่าตอนนี้กาลังปรุงอยู่นะจึงบอกให้ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมมีะายดับไหมอย่าไปสนใจเนื้อเรื่องมันมันจะเป็นเนื้อเรื่องอะไรก็ตามเกิดไมดับไหมเกิดไหมดับไหมมันจะเป็นใครพูดมาสอนเราก็ตามเป็นครูอาจารย์มาสอนเป็นอะไรก็ตามเกิดไหมดับไหมเกิดดับหมดนะไม่เอาละความเพลินไปละไปละไป และทุกอย่างนะใครเป็นคนเข้าไปรู้จิตผู้รู้เป็นคนเข้าไปรู้จิตก็ไม่ใช่ของเราผู้รู้ก็ไม่ใช่ของเราสิ่งที่มันไปรู้ก็ไม่ใช่ของเราอีกนะไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนะเนี่ยต้องละหมดเลยนะขณะที่นั่งปฏิบาททาัติธรรมนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกในบางครั้งลมนั้นเบาจนกระทั่ ง, งจับไม่ได้ หรือไม่มีความรู้สึกถ้าเป็นอย่างนี้เราควรจะทำอย่างไรต่อไปคำถามเนี่ยน่าจะมีเป็นพันแล้วแบบนี้ตอบมาเป็นพันนะครูเจ้าบอกแล้วว่าให้ตามเห็นการเกิดดับของขันทั้งห้าต่อไปนะ <c oughs> <c oughs> เวลามันจะนิ่งละเอียดอย่างไรก็ตามเราก็อยู่กับมันตรงนั้นนะ ไม่ต้องไปไขว่คว้าหาจะหาไหอ้นี่เกาะหาไหอ้นี่เกาะก็อยู่มันเรารู้ว่ามันเบานั่นแหละก็รู้แค่นั้นแหละแล้วจะไปรู้อะไรต่อนะอ่ก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็พุทธเจ้าบอกว่าให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีนะก็เข้าไปเฝ้าดูดีๆไอ้ที่วันนิ่งตรงเนี้ยมันยังมีอะไรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไหมแล้วก็ดูมันนะแค่นั้นเอง ยิ่งนิ่งมากยิ่งละเอียดมากการเปลี่ยนแปลงก็ยิ่งบางเบานี้เดียวเรื่อมก็ยิ่งสังเกตยากนะสังเกตมุมของความง่ายคือมันเคลื่อนไหวช้ามุมของความยากคือมันละเอียดปราณีตนะมันยากง่ายกันคนละแบบนน <ะ S 1> เนี่ยก็คือเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นการเกิดดับขันทั้งห้าหรือขันทั้งสี่ต่อไปแค่นั้นเองนะ ในขณะนั่งสมาธิเมื่อเวทนาเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทุกขเวทนาทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนสภาพจากทุกขเวทนาเป็นสุขเวทนาได้บ้าง อ, อส่วนใหญ่เราคงจะหมายถึงทุกเวทนาทางกายหรือเปล่านะถ้าทุกขเวทนาทางกายก็ให้เปลี่ยนรีบทไปนะ นั่งเมื่อยก็ไปเดินเดินเมื่อยก็มานั่งนะที่พู้เจ้าท่านตรัสไว้บ่อยเนี่ยให้สังเกตเวทนาทางจิตนะสะสุขทุกข์อทุกข์ขมสุขนะเวทนาทางจิตของเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้รีบละให้รีบทิง้งให้ไหวนะเวทนาทางกายเนี่ยมัก <c oughs> จะไปพูดกันถึงตรงนี้แต่ไม่พยายามนึกถึงว่าถ้าเวทนาทางกายเนี่ย เราละ ง, งับไปด้วยการเปลี่ยนแปลงรีบทแล้วเรามากระทาซึ่งการละความเพลินและพบละชาติอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งวันอันไหนมันได้ประโยชน์กว่ากันนะการละความเพลินในจิตได้ประโยชน์กว่านะการละความเพลินก็คือสตินั่นเองสติคือการระลึกได้กลับมาพระองค์บอกสติเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตินะเวลา24ชั่วโมง ไอ้คนนี้ก็นั่งนั่งไปสองชั่วโมงแล้วปวดปวดก็นทนไปอสองชั่วโมงกว่าไม่ไหวล้วพอลุกออกมาขาเดี้งไปแล้วะไปนอนพักอีกสามชั่วโมงนแต่คนก็ใช้เดินสลับนั่งไปเรื่อยๆไปได้หกชั่วโมงไอ้คนนี้ทําความเพียรได้หกชั่วโมงแล้วความเพียรทางจิตไอ้นี่นอนส้มไปแล้วขางอไม่ออกเดินไม่ไหวก้นแตกนะ โยมลองนั่งทั้งคืนเนี่ยโยมจะรู้ว่าก้นแตกไปยังไงอาตมานั่งมาแล้วแต่อาตมาไม่อยากเอาเรื่องพวกนี้มาสอนหรอกน ะ, อะไอ้นั่งแบบว่าแบบผ่านแบบล่อแลกก็มีแบบผ่านแบบเอกฉันก็มีน ะ, ะแต่เราดูแล้วมันเออเราจะมาสอนให้คนอทนทุกเวทนาอย่างนี้ทําอะไรซึ่งพระเจ้าก็ไม่ได้สอนอย่างนี้นะเราก็ไม่เอาดีกว่า จะหลายสาวกสอนอย่างนี้นะว่าเคยลากคนมาในสัตชิกมาอะไรหายหมดเลยไม่มายเลยมันสู้ไม่ไหวนะอก็ดูทําตามกําลังอ่ะนะเอเอเาความเพียรทางจิตเป็นหลักนะแล้วร่างกายเราก็พอไปได้ตามสมควรอย่างเนี้ยอืมแล้วเวลามันเจ็บขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างก้นแตกหมดแล้วกว่าจะหายเป็นอาทิตย์นี่ยมนั่งอุจจลราก็นั่งไม่ลงต้องประคองอออืนะื <c oughs> หนัง ม, นมันจะขาดนะนั่งฉันนั่งแล้วโอ้มันลำบากไปหมดอะนะนะจะทำอะไรก็ไม่สะดวกนะกว่าจะหายอะยงเป็นอาทิตย์เนะี่ยระโยมก็งอ่งงองง่อ ง, ง, อ ง, ง, องไปตลอดนะนะอเอมพอมาเริ่มใหม่เอาอีกแล้วนะไม่นานร่างกายก็ช็องรุดพังหมดนะเนาะจิตที่เข้าไปรู้ลมหายใจทุกครั้งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของกุศล แต่ก็มีบางส่วนที่ปรับเปลี่ยนกลายเป็นอกุศลคำถามคือว่าทำไมมันกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอ๋อธรรมดานั่งท่องไม่เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาเทพมารพรมใดๆไม่ได้ตามความปรารถนาของวิญญาณว่าวิญญาณเนี่ยเกาะกุศลอย่างเดียวนะอย่าไปเกาะอกุศล อ้าเกาอกุศลอย่างเดียวอย่าไปเกาะกุศลให้ปาณานายังไงมันก็ไม่เป็นไปตามความคิดของเรานะมันเป็นมันก็เป็นได้ชั่วคราวชั่วคราวเสร็จมันก็เปลี่ยนแปลงต่อมันก็ไปของมันไปของมันเรื่อยๆเพราะวิญญาณไม่ใช่เราเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ใครจะรู้มั่งว่าอีกสองนาทีสามวินาทีวิญญาณจะดับแล้วมันจะไปคิดเรื่องนี้แล้วมันจะไปเรื่องนี้ต่อไม่มีใครรู้นะอ่า มันจะดับเมื่อไหร่ก็ดับเมื่อนั้นแต่ดับปุ๊บเราต้องรู้ตัวรู้ตั ว, ตวปั๊บละความเพลินกลับมารู้ตัวปั๊บละความเพลินกลับมาแค่นั้นเนะเพราะวิ ญ, ญญาณไม่ใช่เรานะครูชา้ญญางเขบอกวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดเป็นปฏิจจสมุปนธรรมเหมือนย้มเป่าฟองสบู่เนี่ยเป่ า, าบางฟองอยู่นาน<ม>บางฟองป๊ะแตกฟองก็ลอยไปตั้งนานดับใครจะรู้ว่าฟองสบู่ฟองไหนดับเมื่อไหร่นะ อย่างนี้ไม่แน่นอนนะข้าดนั่งปฏิปัติไปถึงระยะหนึ่งได้ระยะหนึ่งแล้วอาการของจิตหยุดนิ่งแล้วก็เหมือนดนดึงเข้าไปสู่ความว่างนะครับถามว่า <c oughs> ในความว่างนั้นมันแทบจะไม่มีอะไรไปจับต้องได้เลย ควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อก็อหลักเดียวกันนะว่าสมาธินะมีทั้งเก้าระดับนในความว่างที่เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลับมาเช็คเลยนะอกุศลดับไม้ดับผ่านวิทุพิชา์ดับไปไหมดับผ่านปิติดับไปแล้วยังผ่านผ่านสุขอุเบกขาสุขดับไปไม้ผ่านอรัสสะปัสสสา ร, ร, สาสารดับไม้ดับอ้าวจตุจัจจานนะ หนึ่งสองสมสี่ได้แล้วใครลึกเข้าไปกว่านั้นรูปสัญญาดับไหมการหมายรูในรูนะขึ้นอากาสานะเพราะฉะนั้นจะสมาธิขั้นใดก็ตามลึกขนาดไหนก็ตามผู้เจ้าสอนยังไงเปรียบเหมือนนายขมังธนูนะที่ซ้อมยิงหุ่นฟางนะนั้นก็ซ้อมยิงหุ่นฟางต่อคืออะไรเฝ้าตามเห็นการเกิดดับของกันทั้งห้าต่อไปนะ เพราะฉะนั้นเวลาสมาธิทั้ง9ระดับทำไปแล้วเนี่ย <c oughs> ผู้เจ้าตรัสอุปมาเหมือนกันทุกขั้นเลยในเจระดับแรกนะเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปขุนคนที่ทำด้วยญ้าบ้างเห็นหุนดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่นนันใหญ่ได้นในกรณีแห่งทุติยชาตตติยชาต น, นะ เหมือนกันหมดเลยนะแต่พอขึ้นอากาสาวิญญาอากินอุปมาก็ยังเหมือนเดิมแต่จะลดเหลือขันทั้งสี่เพราะรูปสัญญาดับนะยมลงดูว่าอุปมาของผู้เจ้าในเรื่องของชาตหนึ่งสองสามสี่นะในเรื่องของปีติสุขนะอาการต่า ง, างๆเนี่ยในสุขกันเกิดจากสมาธิจะเปลี่ยนเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนอุปมาไปเรื่อย แต่ในการทําสมาธิทุกข่านเนี่ยอุปมาเหมือนเดิมหมดเลยในเจ็ดระดับใช้ในขมังตนูตัวเดียวไม่ยอมเปลี่ยนอุปมานั่นคือผู้ยากกาลังพยายามชี้ชัดว่าหลักการเดิ ม, มคือตามเห็นการเกิดดับขันทั้งห้าหรือขันทั้งสี่นั่นเองนะเป็นอย่างนี้อาการเกิดดับของขันนั้นจะเกิดขึ้นได้ จากการเคลื่อนไหวหรือการหยุดนิ่งอยู่กับที่ <c oughs> เพราะเราหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่จิตไม่หยุดนิ่งมันจึงมีการเคลื่อนไหวให้เห็น <c oughs> นะวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปเวลาวิญญาณที่รู้ลมหายใจเนี่ยดับไปแล้วสัตว์ผู้มีวิชาเคยยึดวิญญาณดวงนี้และมันดับไปสัตว์ผู้มีวิชาก็จะคว้าดวงใหม่ นะและ ว, วิญญาณเต็มโลกธาตุสัตว์ผู้มีวิชาจะไปคว้าดวงไหนคะนั้นมันพอใจในอารมณ์อยู่ไหมถ้าพอใจในอารมณ์นั้นมันก็จะไปคว้าอารมณ์ใหม่แต่ถ้าละความพอใจในอารมณ์ต่างๆได้มันก็จะกลับมาที่เก่านะก็คือรู้ลมหายใจต่อไปเหมือนเดิมนะมันก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยวางความพอใจละความเพลินในอารมณ์ต่างๆได้หรือไม่ละได้ละได้เร็วไหม ถ้าละได้เร็วมันก็จะกลับมาที่เดิมเร็วนะดังนั้นก็วิญญาณมันจะเกิดดับของมันตลอดนะมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นเพราะเรากําลังสร้างอารมณ์อันเดียวให้เกิดขึ้นเราตั้งความอยากไว้ที่อารมณ์อันเดียวแต่จิตจะไม่เป็นไปตามปรารถนาของเราเราจึงเห็นการเกิดดับของมันเพราะการอยู่นิ่งในอารมณ์อันเดียวของเราพระตรรมคตจึงบอกว่า เปรียบเหมือนเตา่านะโหดอาไวว่าไว้ในกระดองมีเต่าตัวหนึ่งเดินหากินตามริมลาธารสุนัขจิ้งจอกก็เดินหากินเหมือนกันทั้งสองมาเจอกันสุนัขจิ้งจอกก็ปรีเข้าหาเตา่าเต่าก็เลยต้องรีบหดหัวแขนขาเข้ามานะกาบใดที่เต่ายังหดหัวแขนขาสุนัขจิ้งจอกก็จะทําอะไรเต่าไม่ได้และจะต้องหลีกไปเองนะพระองค์จึงบอกพิสูจทั้งหลายพึงตั้งมโนวิต no ก ไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมารคือความตายเนี่ยมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้เห็นไหมหลักการสํารวมอินทรีย์เอากลับมาต้องละไหมต้องละอารมณ์นั้นเอากลับมาอย่างนี้ดังนั้นผู้เจ้าไม่ให้ส่งจิตออกข้างนอกไปเพลินโคดหัวแขนขาเข้ามาในกระดองซะสํารวมอินทรีย์ผู้ไม่สํารวมอินทรีย์คือส่งจิตออกนอกผู้เจ้าเรียกว่าเธอเป็นผู้ประมาทนะ นี่เรื่องของเต่าโขดหัวในกระดองนะลองไปดูผู้ประมาทไม่สํารวมอินทรียนะ์ผู้เจ้าทิ้งคําไว้หนึ่งคำว่าอย่าประมาทนะเนี่ยยงยัยให้ดีนะเราจะได้ทราบหลักการและมั่นคงในหลักการซะเพราะเราเช็คคํำผู้เจ้าเยอะเหลือเกินนะนั้นใครหลักการไม่ตรงเนี่ยเขานะ่ะต้องเปลี่ยนหลักการมาให้ตรงกับผู้เจ้าใช่ไหม ไม่ใช่ให้ผู้เจ้าไปเปลี่ยนหลักการตรงกับเขาภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างไรนี่ประมาทเป็นอย่างไรนี่ผู้เจ้าตัดไว้ชัดๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่สัมรวมระวังคืออินทรีย์คือตาอยู่จิตย่อมเกลือกกลัอในรูปทั้งหลายอันเป็นวิสัยแห่งการรู้สึกด้วยตาเมื่อภิกษุนั้นมีจิตเกลือกกลัวแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปิติไม่มีปัสสติไม่มี ภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมัน่นเมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่ามีปกติอยู่ด้วยความประมาทโดยแท้เพราะไม่สำรวมอินทรีย์นั้นเองทรงจิตออกไปเปลิดเพลินกับตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเห็นไหมเนี่ยทั้งหมดอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยอินทรีย์สังวรหกสิบกว่าพศจะสอดรับกันหมดเลย และหลักการนี้เป็นหลักการใหญ่ประมาทไม่ประมาททำอย่างไรนะเป็นอย่างนี้นะในขณะทำความเพียรไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิโดยมีคำบริกรรมเป็นตัวยึดให้จิตอยู่ครับการทำความเพียร น, นั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าคำบริกรรมนั้น จะทําให้ไม่สามารถปฏิบัติเข้าสู่ขั้นสูงต่อไปได้เพราะติดตัวบัญญัติตัวนี้ครับตัวคำเล็กคำคืออะไรอะ่ะคำพูดที่พูดในใจคําพูดที่พูดในใจขึ้นมาก็คือตัวความคิดก็คือตัวสัญญาสังขารจิตเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดปรุงแต่งอยู่ตลอดเลยนะนั่นพระเจ้าให้ทํำยังไงให้ทําจิตตสังขารให้ลำงับนะ่ะ พุทธเจ้าบอกรู้ให้เธอรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารแล้วทําจิตตสังขารให้ลํางับหยุดการปรุงแต่งของจิตนะแล้วเราก็ยังปรุงอยู่เลยจะทํำยังไงดีนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคําของสาวกผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาโยมก็จะไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้ดังนั้นถ้าโยมไปอยู่ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังมีชีวิตอยู่ โยมจะไม่เจอการสอนเรื่องเหล่านี้โยมก็จะไม่มีข้อสงสัยเอ๊ะต้องบริกรรมไหมบริกรรมยังไงนะอันนั้นดีไหมอันนี้ดีไหมคําถามเหล่านี้จะไม่มีเพราะไม่มีใครกล้าสอนผิดจากพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงไหมอ่าแต่วันนี้เนื่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่อยู่ไม่มีใครมาเรียกมาตําหนินี่ถ้าอยู่ก็เรียกมาแบบสาติไหนสาติเธอว่ายังไงไหนภารัทวาชาเธอว่ายังไงอา้าวกัะปินะว่ายังไง เป็นพระหลานแล้วทำไมไม่ไปลงอุโบสถกับปินาะเธอจงไปลงอุโบสถถ้าเธอไม่เคารพอุโบสถใครเล่าจะเคารพไม่มีผู้เจ้ามาเรียกมาแล้วทุกคนต้องมีความละอายฮิลิโอตปะเองนะมีความละอายเกรงกลัวเองนะมีพระศาสดาเป็นที่เคารพอย่างยิ่งนะอะไรทุกคนเนี่ยจะมีความยำเกรงในพระพุทธยำเกรงในพระธรรมยำเกรงในพระสงฆ์ยำเกรงในศิกขาเป็นอย่างยิ่ง นะพระองค์บอกกับพระพัทลินะพัทลิชอบแย้งผู้เจ้าผู้เจ้ากําลังบัญญัติว่าให้พิสูจ์ฉันมือเดียวพัทลิบอกข้าพงทําไม่ได้อืมผู้เจ้าว่าทํำยังไงดีผู้เจ้าว่าอ่ะงั้นพัทลิเธอเก็บอาหารตอนเช้าวไว้ฉันตอนสายพัทลิก็บอกว่าข้าพง์ก็ยังทําไม่ได้ไม่แห่ผู้เจ้าเลยลุกจากที่ประทับปลีกไปนะ พิสูทั้งหลายก็เลยเล ย, เลยถล่มพัทธลีเลยนะบอกว่ากล้าดียังไงเนี่ยไปแยง้งพูะเจ้าเนี่ยนะไปขอขมาพระพุทธเจ้าซะนะพัทธลีก็สํานึกได้ก็เลยไปขอขมาพระผู้มีพระภาคเจ้าไปถึงขอขมาพู้เจ้าเสร็จนะพูะเจ้าก็บอกพัทธลินะเธอเป็นโสดาสกิทาคานาขาพระหลานบ้างไหม พัทลีบอกว่าอย่างบอกเธอรู้ไหมโสดาสกิธาคานาพระละหัน์เนี่ยแม้ตถาคตจะ ก, ก้าวเท้าลงไปในหลมน่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาไม่เชื่อว่าพระตถาคตจะ ก, ก้าวผิดคโคลนเป็นคโนคลนคโคลนก็โคลนก็ก้าวฟับเข้าไปฟับเข้าไปตามเปะ๊ะนะแล้วพระเจ้าก็พูดถึงพัทลีว่าเนี่ยทาไมเธอไม่รู้ธรรมที่เราแสดงพัทลีก็บอกว่าข้าพระองค์ นะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คงจะศีลไม่ดีอะไรไม่ดีบอกไม่ใช่หรอกพระธลิบอกตถาคตในกะำหนดรู้จิตเธอแล้วนะว่าเวลาเธอฟังธรรมเธอไม่ได้ไม่ได้สนใจฟังธรรมเลยนะทรงจิตไปไหนก็ไม่รู้นะก็บอกอา้าวงั้นตั้งใจตถาคตจะแสดงให้สามอีกทีหนึ่งแหมเมตตาพระธลิมากนะนะโอ้พระสูนี้ยาวมากนะอา่า บางคนเลยเลยไปโคดพระสูตรซึ่งเก็บมาบางช่วงบอกว่านี่ไงพระฉันสองมือได้เพราะพัทธลิกระสูดผู้เจ้าอนุ ญ, ญาตให้พัทธลิฉันมือสองได้ น, นั่นดูไม่จบไม่ยกมาทั้งพระสูตรถ้ายกมาทั้งพระสูตรเนี่ยจะรู้เลยว่าอันเนี้ยผู้เจ้าเนี่ยกาลังฟาดพัทธลิอยู่อุตสาหอนุโลมให้ฉันมือสองได้แต่อนุญาตให้พัทธลีนะแต่พัทธลิรับไหมไม่รับ เมื่อไม่รับก็อดไปสิเนใช่ไห ม, ไหมอนุโลมให้ฉันมือสองพัทลิยังบอกข้ารงทำไม่ได้งั้นก็ไม่ต้องเอาแล้วกันใช่ไมเนี่ย อ, อดเลยพอเรียกให้เหลือฉันมือเดียวก็เหมือนกันกบกำลังก้าวลงในหลงโครนใช่ไหตามไหมสาวกตามไหมถ้าอาริบุกจก็ตามหมดปุ๊บเขาเชื่อแล้วว่าพู้เจ้าเนี่ยไม่พลาดแน่น่ะแต่พัทลิแยง อย่างนี้น ะ, ะก็เลย <c oughs> แสดงทำเรื่องอเรื่องม้าน ะ, ะให้พัทลีอีกรอบหนึ่งนะก็คงเป็นที่เข้าใจกับพัทลีพอสมควรนี่ก็ยกตัวอย่างให้ว่ากับพระตถาคตเนี่ยเราจะเดินตามเป๊ะาจึงบอกว่าถ้ายมไปอยู่ในครั้งบูรการไม่มีการสอนเรื่องคำใวคำเลยใครจะกล้าทำมัน ไม่มีแน่นอนน ะ, ะเพราะถ้าใครผิดจากผู้เจ้าปุ๊บโดนเรียกนะอืมตอนนี้เราก็มามามาพิจารณาดูนอกจากไม่มีที่ผู้เจ้าตรัสไว้แล้วเนี่ยมันยังไปขัดแย้งในส่วนที่ผู้เจ้าให้ระงับจิตตสังขารนะตอนนี้มักวิธีที่ ที่ต้องปรุงแต่งมีไหมมันก็มีนะ <c oughs> แต่ปรุงแต่งอย่างไรนะก็คือปรุงแต่งในเรื่องพิจารณาโดยความเป็นธาตุพิจารณาโดยความเป็นอายจตนะพิจารณาโดยความเป็นปฏิจจสุบาท น, นะเนี่ยก็คือพิจารณาโดยวิธีสามตรงนีนะ้จะทำให้เป็นบุคคลผู้เป็นเกเรลีคือหลุดพ้นเป็นพระหลานการ มักวิธีแบบปรุงแต่งมีไม้เช่นว่าการคายขนโทษนะถ้าละอกุศลยังไม่ได้ผู้เจ้าบอกว่าให้ไปคิดเรื่องกุศลเปลี่ยงไปคิดเรื่องดนะีนี่ให้คิดก็มีเหมือนกันแต่คือถ้าทําไม่ได้ถ้าละได้คือละเลยแต่ถ้าละไม่ได้นะยังต้องคิดอยู่งั้นไปคิดเรื่องกุศลอีกวิธีหนึ่งถ้าคิดกุศลแล้วจิตอกุศลยังไม่ยังไม่ยอมดับไป ให้ไปใคร่ควรโทษของอากุศลมิตตกที่กำลังคิดอยู่นั้นนี่นี่ก็ใช้การคิดนะนั้นคิดในกรอบพวกนี้มีประโยชน์นะอย่างที่สามก็คือโยนความคิดอากุศลนั้นทิ้งไปเลยอย่างที่สี่ให้บรรยายรูปประพันธ์สันฐานของอกุศลมิตตกเหล่านั้นเราวิตกเรื่องอกุศลเรื่องใดบรรยายเป็นรูปภาพออกมา ตรงนี้เนี่ยบางคนก็คิดว่า <c oughs> เอ๊ะมันไม่ทำให้เกิดอวุศสนหนักขึ้นไปหรอยิ่งไปคิดบรรยายรูปพรรณสันฐานของอคุศลนิตกแต่พอไปดูอุปมาของพู้เจ้าแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเพราะการที่เราคิดปรุงอวุศสต่อไปเรื่อยเนี่ยมันจะยิ่งหนักเดินหน้าเข้าไปเลยพระองค์จึงเปรียบเหมือนคนที่กาลังเดินเร็วเดินเร็วไปทาไมเดินช้าดีกว่าเดินช้าไปทาไม ยืนดีกว่ายืนไปทาไมนั่งดีกว่านั่งไปทาไมนอนดีกว่ามันจะทำให้อกุศลมิตรตกนั้นหยุดการเคลื่อนไหวนะและนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นอย่างนีนะ้นี่เป็นมุมของพระองค์ไม่ ง, งั้นเราปรุงไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็ปรุงไปฆ่าเขายนได้นั่นแหละใช่ไหมอ่มันต้องหยุดการปรุงให้ได้หยุดจิตตสังขารนะส่วนข้อที่ห้าอันนี้ข้อที่4ี่ใช่ไหยไหนลองดู เนี่ยเราทำในใจซึ่งบรรยายิรูปภัณฑ์สันฐานแห่งการปรุงแต่งแห่งวิตตกของอากัสริตกทั้งหลายเหล่านั้นเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนบุรุษเดินเร็วๆแ ล, วแล้วฉุกคิดว่าจะเดินเร็วไปทําไมเดินค่อยๆดีกว่าเดินค่อยๆแล้วฉุกคิดว่าเดินค่อยๆไปทําไมยืนดีกว่ายืนไปทําไมนั่งดีกว่านั่งไปทําไมนอนดีกว่าเนะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างที่อาตมาบอกว่า ผู้เาเคยพูดว่าเดินเร็วเดินช้าหรือเดินค่อยๆเนี่ยบางสัมโนนก็ใส่ว่าเดินช้าเดินเร็วเดินช้าเดินย่องเดินกระโยงพระองค์สอนหมดนะมีคำพูดหมดไม่ใช่สอนหมดมีคำพูดคําบาลีในนี้นะแต่พระองค์ไม่ได้เอามาสอนกับการเดินจงกรมอันนี้ก็เลยยกคําบาลีให้ดูซึ่งเราจะไม่เคยเจอวิธีการสอนเดินจงกรมของพระตถาคตว่าสอนเดินยังไงแต่จะโยงไปถึง ที่พระองค์บอกการมีสติคือการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูการแลดูการคู่แขนการเหยียดแขนการหยิบบาทรทีวรสังคติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งนะให้มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะเป็นอิริบที่พระเจ้าให้ให้เราสังเกตนะ ให้มีความรู้ตัวอยู่ในริมบทต่างๆนี่ก็เป็นตัวอย่างาดังนั้นเรื่อง <c oughs> ของการคำาบรกรรมนี่อาตมาก็เลยไม่พยายามสืบต่อนะเพาอาตมาก็เคยบริกรรมพุทธโทมาเป็นสิบปีกันก็เลิกนะเมื่อเราเช็คดูแล้วเอ๊ะผู้เจ้าไม่เคยสอนถ้าอาตมามีลูกศิษย์แล้วอาตมาไปสอนคำาบรกรรมเราก็กำลังหยิบยื่นกัลยาณวัตร ที่พระศาสดาไม่ได้บัญญัติไว้ให้เขาเราจะไปให้ข้อมูลที่แต่งเติมไม่เอาดีกว่าให้มันจบแค่เรานะเนี่ยทนมายก็ตัดขั้นตอนแค่ตัวเองไม่เอาเราก็แก้ไขนะแล้วเราก็ให้เฉพาะข้อมูลพู้เจ้าเท่านั้นกับเขาอย่างเนี้ยนะมันก็จะได้เป็นการสืบทอดกัลยาณวัตรเพื่อเราจะได้ไม่เป็นคนสุดท้ายในกัลยาณวัตรของพระตถาคตอย่างนี้นะในการนั่งสมาธิ หรือการ น, นั่งกรรมฐานก็ตามเราควรจะแผ่กุศลหรือส่งผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรกรลยารมิตรหรือครอบครัวบิดามารดาหรือผู้มีบุญคุณผู้มีพระคุณหรือไม่ย่มไม่ทำทั้งชีวิตก็ได้นะไม่ผิดไม่ได้บังคับอะไรนะแต่ถ้าทำแล้วมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์นะ การแผ่เมตตาการโดทิติบุญบุญสนเนี่ยอย่างการแผ่เมตตายมไปดูในสาธยายธรรมนะก็จะเจออนิสงส์นะรับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนะไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพ ย, ยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตว์ตราก็ดีไม่ต้องบุกคนนั้นจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทำกาลละเมื่อยังไม่บรรลุ ค, คุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมบังเกิดในพรหมโลก อันนี้ก็เป็นอ น, นิสงส์ที่โยมจะได้รับเมื่อเราอยู่ทางโลกดังนั้นถ้าเราต้องการอ น, นิสงส์นี้นะเราก็แผ่เมตตาอุทิปปุสสนะ์การอุทิปบุญุศน์ผู้เจ้าให้ทําไหมเป็นหน้าที่ของบุตรพึงกระทําต่อบิดามารดานะเป็นข้อที่สมในการใช้ใจ่ายทรัพย์ของคารวะช่วยเหลือสังคมนะช่วยชาติชาติปีเปตปีเทวตาปรีราชปีนะ อันนี้ก็การทําก็มีประโยชน์แต่ถามว่าป้องเลยไหมไม่ทําไม่ได้หรือเปล่าไม่ทําก็ได้นะแต่ถ้าจิตน้อมไปเพื่อการทําก็มีประโยชน์อยู่ครับการแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับจะท่านผู้นั้นจะได้รับผลกุศลที่เราแผ่ไปให้หรือไม่ สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยพระเจ้าจะไม่พูดหลุดออกจากปากนะนะเพราะฉะนั้นถ้าการาแผ่เมตตาหรือที่บุญคุศลไม่มีประโยชน์เนี่ยจะไม่หลุดจากปากพระเจ้าเด็ดขาดหลักการพูดของพระตถ า, าคตคือจะพูดเฉพาะเรื่องจริงเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้นถึงจะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ถ้าไม่มีประโยชน์แล้วจะไม่พูดออกจากปากพระตถ า, าคตนะเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่คนฟังไม่พอใจ อาตมาพูดเรื่องจริงเรื่องแท้มีประโยชน์แต่คนฟังไม่พอใจพูะเจ้าทำยังไงพูะเจ้าบอกต้องเลือกกาละในการพูดนะอ่าดังนั้นถ้าโยมจะไปพูดเรื่องจริงเรื่องแท้และมีประโยชน์กับใครแต่ดูแลเอเขาไม่พอใจอยากจะฟังเรานะอ่โยมดูกาละได้ละกันนะพระองค์บอกถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้มีประโยชน์แล้วคนฟังพอใจพระองค์ก็ยังเลือกกาละในการพูดอีกเหมือนกัน ดังนั้นการละในการพูดเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะอันหนึ่งพูดควรแก่การคือกาละพูดตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตาใครทําคำพูดได้ห้าอย่างนี้ผู้รู้ใดๆในโลกจะติดเตียนเราไม่ได้เป็นคำพูดที่ใครๆก็ติดเตียนเราไม่ได้นั้นหลักการสอนเรื่องการพูดเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไ้เยอะนะ เรื่องของการควรแก่การนะอันนี้เขาแปลว่าการเวลาเนี่ยไม่น่าจะใช่ควรจะเป็นเรื่องของการละสมควรแก่แก่จังหวะในการพูดนะตามสัจจริงอ่อนหวานประกอบด้วยประโยชน์ด้วยเมตตานะเป็นวาจาที่ไม่มีโทษบินยูชนและผู้รู้เนี่ยติดเตียนไม่ได้ ในส่วนของการปฏิบัติก็มีคำถามที่คัดไว้ได้แค่นี้นะค ร, uh huh. ครับมีเวลาอีกนิดหนึ่งกับ uh huh. เรียนถามพระอาจารย์กรรมดีที่ส่งผลที่พระอาจารย์อธิบายว่ามีเก้าขั้นแต่ uh huh. การทําสมาธิมีแปดขั้นทําไมเราไม่เรียกว่าเป็นเก้าขั้นกรรมดีที่ส่งผลยังไงนะส่งผลกันคือการทําสมาธิแปดขั้นอ๋อเออ กรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมมีสมาธิแประดับใช่ไหม อ, อันนี้เนี่ย <c oughs> ก็ทุกคนคงจะสงสัยเหมือนกันนะพนะระก็สงสัยทำไมผู้เจ้าบัญญัติแค่แปดทั้งที่สมาธิมีเก้าระดับนะทีนี้ในแประดับเนี่ยเป็นกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมนะทีนี้ระดับที่เก้าเนี่ยนะเป็นสัญญาเวทินิโรดล้ สัญญาเวทเทนโลดเนี่ยก็จะมีสองกรณีก็คือเมื่อเข้าแล้วเนี่ยนะแล้วคนนั้นเข้าออกเรื่อยๆผลทางไปสองอย่างก็คือหลุดพ้นนะเป็นพระหลหรือว่าไปเป็นเทพผู้มิลิทธทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะนั่นแสดงว่าพระเจ้าอาจจะมองแล้วว่าตัวเนี้ยนะไม่ได้มาช่วยส่งผลในเรื่องของ ของการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนะนั้นพระองค์จึงตัดไวท้ที่ที่แค่แปดระดับแรกนะนั้นตรงนี้ไม่มีใครทร้างนะเพราะพระองค์เป็นสัพพัญญูผู้เดียวที่จะกำหนดกฎเกณฑ์หลักการว่าแค่ไหนได้แค่ไหนหลุดน ะ, ะสุลาแค่ไหนวิบากอย่างเบาวิบากอย่างหนักผู้เจ้าจะเป็นคนจัดแจงตรงนี้หมดเลยนะนั้นเราอาศัยเรียนรู้ภูมิความรู้ของพระองค์ไปละกันนะ ว่ารองบอกอันละแค่เนี้นะที่เก้าเนี่ยไม่ได้ซึ่งแค่หนึ่งสองสามสี่นี่ก็ยากแล้วอาคาสาขึ้นไปเนี่ยหาคนทำได้ยากมากนะแทบจะไม่มีนะครับเวลาทำบุญเราควรจะตั้งจิตอธิษฐานหรือไม่นะครับแล้วในพุทธวจนะมีการกล่าวถึงการตั้งอธิษฐานจิตหรือไม่มีอยู่เหมือนกันก็ พูทเจ้าให้อธิษฐานจิตได้เพราะฉะนั้นจึงมีพระสูตรที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอปรารถนาสิ่งใดนะต้องการเอกลาบปัจจัยชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศไ่ต่างๆเนี่ยนะก็ให้ทำเหตุปัจจัยสี่อย่างคือเป็นผู้บริบูรณ์ในสินไม่เห็นห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยปรัชนาให้สุญญากละวัดมอกกรรมนันแสดงว่าได้มีการให้ตั้งความปรารถนาได้ และการตั้งความปรารถนาของผู้เจ้าเนี่ยพระองค์อยากให้ตั้งในเรื่องของความเพียร <c oughs> ด้วยการตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจกเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจะเกิดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากปั่นของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีนะ นั้นถ้าโยมจะต้องการตั้งจิตอนิฐานให้ตั้งจิตในเรื่องของความเพียรถ้าความเพียรของเราเนี่ยไม่ไม่หมดไปซะก่อนเนี่ยไม่ว่าจะทำงานทางโลกหรือทางธรรมก็ตามเนี่ยพูะุทธเจ้าบอกสำเร็จแน่นอนนะครับในพุทธวจนะพระพุทธองค์ได้มีการกล่าวถึงนิมิตในขณะนั่งสมาธิหรือไม่นิมิตเหรอเออ มีเหมือนกันแต่คาว่านิมิตของครูชาเนี่ยกว้างและพระองค์บอกว่าอนิมิตตสมาธิเนี่ยนะนิสมาธิที่ไม่มีนิมิตเนี่ยดีกว่านะสมาธิที่ไม่มีนิมิตเป็นสมาธิที่ละเอียดกว่าปราณีตกว่าให้พยายามละนิมิตต่างๆนะและได้บอกถึงสมาธิที่ไม่มีนิมิตก็คือตัวสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นอนิมิตต์สมาธินะ ตรงนี้มีคำที่คาบเกี่ยวกันค่อนข้างมากนะยังยังจัดและยันฟันยังฟันทงลงไปไม่ได้แน่ชัดนะมันมีการใช้คำว่านมมิตเนี่ยคาบเกี่ยวกันค่อนข้างเยอะยังไม่มีใครสามารถสรุปตรงนี้ได้ชัดเจนแน่นอนนัดนะกับในพุทธวจนะไม่ได้กล่าวถึงการกรวดน้ำนะฮะและมีการกล่าวถึงการตักบาตรอุทิศเพื่ออุทิศส่วนกุศลหรือไม่ กล่าวถึงการตักบาตรยังมีแต่การอุทิศส่วนกุศลเนี่ยจะทําเมื่อไหร่ก็ได้ตักบาตรก็ได้ถวายจีวรก็ได้ถวายเสยนาสนะก็ได้นะมันได้ทั้งนั้นน่ะรักษาศีลก็ได้รักษาศีลแล้วทิศบุญกุศลก็ได้นะแล้วมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องของทาน ยมให้ทานไปตั้งไว้กลางแจ้งเฉยๆอ ะ, อะไรจะกินก็กินไปนะถามว่าทานนี้ได้กักใครนะ <c oughs> ชานุสโณนีเขาบอกว่าเนี่ยเขาทำอย่างนี้แล้วทานนี้จะถึงญาติเขาไหมผู้เจ้าบอกถึงในฐานะไม่ถึงในอาฐานะนายมฟังผู้เจ้าตอบมีแล้วทำไงต่อนะชานุสโณนีก็บอกว่า ก็ต้องถามต่อแล้วาออฐานะคืออะไรฐานะคืออะไรใช่ไหมครูเจ้าก็เลยบอกต่อถ้าไม่ถามต่อก็ไม่รู้ไงุรนะูเจ้าก็บอกว่าถ้าญาติของเธอไปเป็นเทวดาเทวดามีอาหารของเทวดาทานนี้ไม่ถึงถ้าญาติเธอไปเป็นมนุษย์มนุษย์มีอาหารของมนุษยท์ทานนี้ไม่ได้ถ้าญาติเธอไปเป็นเดรัชานเดรัชานมีอาหารของเดรัชานทานนี้ก็ไม่ได้ ถ้าญาติเธอไปเป็นสรนสนรกสนนกมีอาหารของสรนนรกทานนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าญาติเธอไปเป็นเปรตเนี่ยทานนี้จะได้เขาก็เลยบอกว่าถ้าญาติที่ร่วงรับของเขาไม่เป็นเปรตล่ ะ, ะทานนี้จะถึงแก่ใครผู้เจ้าก็บอกถึงแก่ญาติเหล่าอื่นของเธอที่ยังเป็นเปรตอยู่เขาก็เลยถามต่อว่าถ้าญาติของเขาที่ร่วงรับไม่เป็นเปรต และญาติเหล่าอื่นของเขาที่มีก็ไม่เป็นเปรตทานนี้จะถึงแก่ไขกู๊ดเจ้าก็เลยบอกว่าญาติเหล่าอื่นของเธอสักคนที่ยังไม่หลงหลงเหลือนะที่ยังเป็นเปรตอยู่เนี่ยไม่มีคือยังไงต้องมีเป็นเปรตแน่นอนนะอ่าก็เลยสาญุสุนีก็บอกโอ้ก็ยังดีเนาะทานนะถึงแม้จะ ไม่ได้อะไรก็ยังได้สักนิดนึงนะก็เลยไปพร่าบ่นไปอย่างนั้นนะนี่ก็เลยให้แง่มุมว่าการให้ทานเนี่ยควรจะมีผู้รับนะถ้าไม่มีผู้รับก็การอุทิศก็จะได้แค่เปรดอย่างเดียวนะอย่างนี้น้องนั้นจะไม่ได้นะแต่ถ้าทําในกรณีอื่นเนี่ยจะได้นะจะมีหลายระสูตรที่มีการอุทิศบุญกุศลให้ด้วยการทำทำความดีในด้านอื่นนะอย่ขอให้พระอาจารย์ ควรเรื่องภัยห้าประการที่ขีดอ่ากั้นทําให้ไม่สามารถทําให้บรรลุหรือรู้แจ้งได้ทำอ่าภัยห้าประการครัภห้าประการเหรอที่ ท, ท, ที่พระอาจารย์สินห้าอ๋อภัยเวรห้ประการภัยเวรห้ประการอ๋อภัยเวรห้าประกา ร, ร, การตัวภัยเวรห้าประการก็นี่ไงตัวศินห้าไงนะตัวศินห้า คืตัวสินห้านี่แงมุมมันกลเคียเหมือนกันนะนี่เรื่องของภัยเวณห้าประการตัวภัยเวณห้าประการเนี่ยคือถ้าทำมากทำบ่อยนะถ้าผิดมากห้าข้อเนี้พระอาจารย์ครับนะมีนอกจากทุบประภิกภัยโจรภัยการแตกแยกของหมู่คณะแล้วยังมีอะไรอีกสองอัน เขายกตัวอย่างมียกตัวอย่างมาไม่ไม่ใช่เรื่องสินห้าใช่ไหมใช่ครับเป็นทุพพลพิษขับไพโจละัยการแตกแยกของหมู่คณะแล้วอีกสองประการนึกเอาไาไปดูประสูตินั้นมันจะมีภายอนาคตภัปภายในอนาคตห้าอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่แต่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต พระองค์ก็ตัดไว้แล้วก็เตือนบอกให้เราเนี่ยจะได้ปารบความเพียร น, น ะ, <c oughs> ะกรณีที่หนึ่งนะก็พี่นายเห็นว่าเรายังหนุ่มยังเยาว์วัยน ะ, ะยังมีผมดำสนิทตั้งอยู่นะในวัยกำลังเจริญแต่จะมีสักราวหนึ่งที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ถูกความ ชราครอบงรรมแล้วจะมนสิการถึงคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทําได้สะดวกเลยนะการจะเสดเสนาสะนะอันเงียบสงัดนะซึ่งเป็นป่าช้าก็ทําไม่ได้ง่ายแต่ก่อนก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใกล้ไม่น่าชอบใจจะมาถึงเราเราจะรีบทําความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเห็นไหมพระองค์ พูดเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยน้อมกลับมาปารัความเพียรต่างหากนี่เป็นอย่างนี้เนาะเราไปดูภายอันที่สองายอันที่สองเอ่อ บัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยไม่ร้อนไม่เย็นนักนะแต่จะมีคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข้ามาเยืยนนอนนะอันนี้เมื่อกี้ความแก่ตรงนี้ความเจ็บไข้ลองข้อที่สามต่อไปนะ <c oughs> <c oughs> พิษาหายากนะอลองข้อต่อไปข้อที่สี่ อโจรป่ากำเริบนะไปดูข้อที่ห้านะสงแตกกันนะอจะมนัศการถึงคาสอนของท่านผู้รู้ไม่ทําได้สะดวกเลยเพราะสงแตกกันเนี่ยยมยุ่งละใช่ไหมโอ้เราเคยศรัทธาคนนี้แต่เข้ากันไม่ได้ทิมแทงกันด้วยหอกคือปากนะครูเจ้าบอกปลาญาทิมแทงกันด้วยหอกปากนะใช้ปากเป็นอาวุธอืม ก็เลยหนักใจโยมทุกวันนี้โยมก็หนักใจอ่านี่กายเข้ากับธรรมยุทธ์ไม่ได้วัดป่าเข้ากัวัดบ้านไม่ได้สายโน้นเข้ากับสายนี้ไม่ได้ที่อาตมายกตัวอย่างว่าอตาตมาในรับนิมนไปโรงเรียนเก่าไงนะที่สาธิเกษตรเขาก็มีพระสิทธิ์เก่าอยู่หกรูปนะก็ต้องฉันหกแบบนะนี้ก็ฉันเป็นนี่ฉันเช้านี่ฉันเป็นวงนี่ฉันในป่าจะถวาย สังฆทานก็นี่จีวรสีแบบนี้นี่สีแบบนี้แบบนี้ต่ตตงคนต่งสีมันไม่เหมือนกันเลยนะอ่ามันลําบากกันนะออันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะนี่ภายในนาคตแต่มันมีอีกอีกนัยยะหนึ่งเนาะอีกนัยยะหนึ่งอีกห้าแบบนะอันที่หนึ่งคือบัดนี้เราอยู่ผู่เดียวในป่างูพิษ มแมลงป่องหรือตะขาดจะพึงกบกัดเราอยู่ผู้เดียวในป่าการกริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นวันก่อนก็พระที่วัดปากเจอหน้าบวมชาไปครึ่งซีกโดนอะไรต่อยที่ปากไม่รู้น <c oughs> อนอยู่ในม้วงกอดสงสัยแมลงป่องมังเลยเข้าไปต่อยนะอ่าก็พาไปโรงพยาบาลดิมันไม่มีความแน่นอนเลยนะอันที่สองก็คือเราจะ พึงพลาดตกหกล้มบ้างอาหารที่เราบริโภคแล้วจะพึงเกิดเป็นพิษบ้างน้ำดีของเรากำเริบเสมหะของเรากำเริบน ะ, ะการกัญญาเราจะพึงมีได้โยแม่ตมาเคยไปล้มที่วัดน่ะหน้าแตกน่ะเลือดเต็มเลยนะหมอบอยู่ตรงนั้นเลยจนคนเดินไปเจอแล้วก็พากลับมานะมันไม่มีความแน่นอนน ะ, ะนี่ข้อที่สาม บัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวก็เมื่อเราอยู่ป่าผู้เดียวอยู่ในป่าจะพึงมาร่วมทางกันด้วยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแหละเราร่วมทางกับมันเลยนะสิงเสือโคร่งนะเสือเหลืองหมีเสือดาวสัตว์ร้ายเหล่านั้นจะพึงปิดชีวิตเราเสียการปริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นเห็นไหมเราจะรีบทําความเปลี่ยนเพื่อถึงสิ่งที่งไม่ถึงเห็นะหมแล้มันไม่อยู่ความแน่นอน น, นั้นนีอ่อีกข้อนึงอะไร คนร้ายจะพึงมาร่วมทางกับพวกคนร้ายซึ่งทํำจรกรรมมาแล้วหรือยังไม่ได้ทําพวกคนร้ายเหล่านั้นจะพึงปิดที่เราเสียนะนี่ก็อีกอันหนึ่งโดนโจรฆ่านะภิกษุอยู่ป่าพวกมนุษย์ดุร้ายก็มีอยู่มันจะพึงปิดชีวิตของเราเสียนะการกริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นนะนี่อีกนัยยะหนึ่งนะเป็นอย่างนี้เนา ะ, นะ อีกสักอีกสักสองสองามคำถามไหมครับเพราะพอดีเย็นนี้จะไม่ได้มาก็เลยแถมซะหน่อยการทำวสีหมายความว่ายัางไรวสีเหร อ, หรอวสีแปลว่าความชำนาญ น, นะทำให้เป็นวสีคือทำให้ชำนาญน่นะฮะ อ่าฮะอ่าฮะอ่าใช่อ่าอ่าอยู่ที่จุดที่ลมที่เบาๆานั่นแหละนะคือให้รู้สภาพเดิมนั้นแค่นั้นเองเราเคยอยู่สภาพไหนก็คือรู้สภาพนั้นนะ ก็ S <S <an> ไม่จำเป็นนะ <S <S <an> นั้นคนที่รู้ก็คือจิตนั่นแหละ <S an> จิตรู้ตรงนั้นเนี่ยเราดูเหมือนเราดูผู้รู้ลมอะ <t> ่ะถามว่าใครเป็นคนรู้สภาวะนั้น <t> ผู้รู้ไงเราก็คือกลับมาดูผู้รู้สภาวะนั้น <S an> และให้เราเนี่ยชนานาญหรือคล่องในการรู้สภาวะนั้น <S an> เอาไว้และถ้ามันหลุดจากสภาวะนั้นให้รู้ตัวแล้วเอากลับมาสภาวะนั้นเหมือนเดิมนะอย่างเนี้ยอ่ะอะไร ทำให้คนเรามาเกิดบางชาติก็เป็นคนดีบางชาติก็เป็นคนไม่ดีแล้วชาตินี้เราคิดว่าเราทําดีเป็นคนดีมีศีลธรรมโอกาสไหมที่ว่าชาติต่อไปเราจะเป็นคนไม่ดีอีกมีนอกจากว่าจะเป็นคนไม่ดีแล้วโอกาสจะไปเป็นเดลสารยังมีเลยนะพระเจ้าที่มีปรลิพปาชกน่ง มาปริพาชคคนนี้เขานั่งดูนรกสวรรค์ได้แล้วเขาก็ไปเห็นว่าเขามาถามผู้เจ้าว่าเขาไปเห็นคนที่รักษาสินดีเนี่ยไปเกิดในนรกแล้วคนที่ปิดสินหนาเนี่ยไปเกิดในสวรรค์ผู้เจ้าก็ไม่ตอบปริพาชคก็เดินหลีกไปผู้เจ้าพระอนนท์ก็ถามถึงเหตุที่พระองค์ไม่ตอบนะ <c oughs> บอกว่าพอรับฟังได้ไหมคําตามความปริปาโชคนนี้บอกรับฟังได้ถ้าได้แล้วเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะผู้เจ้าจึงบอกอานอนท์จําไว้นะบุคคลมีสิบจาพวกในโลกนะคนบางคนเนี่ยรักษาศีลดีแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสั่งสมสุตตานะไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นไม่ทําสมาธิเนี่ยคนคนนี้หลุดไปอบายได้นะนั้นโยมรักษาศีนอย่างเดียวอย่างดีนะ ยังมีสิทธิ์ที่จะหลุดไปอบายได้นะแต่คนบางคนทุศิลแต่เคยฟังธรรมสั่งสนสุตตะทั้งตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะแล้วเคยทำสมาธิเนี่ยคนคนนี้พ้นอบายได้นะนั้นพระองค์ก็ตัดลักษณะอย่างเนี้ยโยงไปโยงมาถึงสิบจำพวกนะดังนั้น <c oughs> ตัวศิลห้าเนี่ยยังไม่ได้เป็นตัวประกัน 100% เว่าเราจะพ้นอบายนะ เป็นช้อยหนึ่งแค่นั้นคือแนวโน้มเนี่ยก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไปสุคติโลกสวรรค์แต่ยังมีสิทธิหลุดไดนะ้นั้นต้องทำสมาธิต้องฟังธรรมสั่งสมสุตตะให้เข้าใจนะอันนี้ถึงจะพ้นจากกระบายได้นะครับเป็นคำถามที่ต่อเนื่องกับที่พระอาจารย์อธิบายพอดีนะครับจะต้องทำบุญสะสมอะไรใน เพื่อให้ชาติต่อไปจะได้มีพร้อมทุกอย่างอ๋อก็กับพระนางมาลิกาไงสวยรวยสมศักดิ์ไงนะอ่าไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระดัางกระเดืองไม่แสดงความโกรธความกัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏถูกว่าแม้มากก็ไม่กัดเคืองนะเนี่ย เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายอดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพรามนมน่ไม่มักโกรธไม่กระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดีองให้ข้าวน้ำผ้าถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้ผู้มีรูปงามน่าดนาูน่าชม ประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีคุณสมบัติมากและสูงสัดครบละมังเนี่ยได้หรืออยากได้อะไรมากกว่านี้สีผิวดุจทองอะฮะอะฮะอะฮจ ตรงนี้ตรงนี้อยู่ในพระตรรมิฎกแต่เป็นส่วนแต่งใหม่เนี่ยถึงว่าเวลาเราอ่านพระตรริฎกเราจะไปเจอไอ้เรื่องพวกนี้และเราก็ไม่ได้เช็คต้นเรื่องของมันว่านี่เป็นเรื่องในส่วนแต่งใหม่อย่างเนี้ยอา่าาาเป็นไม่ใช่เป็นสัญกณ์่ไมว่าเรามีความรักกูใจเวลาอะเวลาความตายก็หลไก็ไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญญัติขึ้นนะหาตัวไม่ได้ ณวันนี้เราหาตัวใครได้ไหมใครเป็นคนบัญญัติกฎดน้ำคนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันจับมือใครโดมไม่ได้เนตอนนี้มันทำตามกันมานานเลยใช่ไหมอ่าแต่แน่ๆไม่ใช่ผู้เจ้าอย่างเนี้ยสิ่งอาัศาจรรย์ของพระสาสดาช <c oughs> ้อา่าสัญญาแล้วก็วิตก ไม่ใช่ขันหน้าหรออันนี้เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะและสติเป็นที่ล่นไปสู่วิมุติแล้วนะก็คือพระองค์เนี่ยพยายามบอกเหตุน่ะแค่นี้ก็เป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยสิ้นอาสวะน่ะอืมส่วนการจะสิ้นอาสวะมันก็จะเห็นอีกสองอันคื อ, อสองขันก็คือตัววิญญาณนะอาการสังขารน่ ะ, น ะ, นะอืมแตนี้อันนี้พระองค์ไม่ใช้สังขารพระองค์ใช้วิตกนะเพราะว่าสังขารเนี่ยมีประมาณมากน่ะอืม เจตโวมุตปัญญาวิมุตต์ก็คือถ้าถ้าทำทำสมาธิเนี่ยทาสมถะเนี่ยจะได้เจโตโวมุตต์นะคือแน้น้ำหนักในการทําสมถะเนี่ยมากกว่านะ่ะส่วนปัญญาวิมุตต์เนี่ยถ้าเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาเนี่ยจะได้เจตโวมุตต์เอาโสโตเนี่ยไปเจอพระสูตรนี้ตรงๆอยู่อันหนึ่งว่า เ, เหตุที่ได้มาซึ่งเจตโวมุตติกับปัญญาวิมุตต์เป็นอย่างไรนะ มีคำถามที่อาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องร้อยลดตามที่อาจารย์บรรยายนะครับเกาะที่ขันห้างเราเกิดจากอะไรและสัตว์นี้ตามเราไปทุกภพทุกชาติหรือไม่เป็นสัตว์ตัวเดียวกันหรือคนละตัวในแต่ละภพที่เราไปเกิดเข้าใจว่าองค์เกิดขาดเข้าใจผิดในเรื่องของสัตว์ตัวที่ตามเราหรือเปล่าครับ สัตว์ตัวที่ตามเราไม่มีสัตว์ตามเราอะไรนะเน่รานี่แหละคือสัตว์เลหรือว่ามีหนังที่มีสัตว์ตามเราใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่ากนะ็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นน ะ, อ, ะอันนั้นก็เป็นเป็นแนวคิดของฝรั่งเขานะหรือบางคนก็บอกมีเทวดามาประจําตัวอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่เคยเจอนะผู้เจ้าบอกว่ามีเทวดามาประจําตัวใคร ถ้าโยมไปเกิดเป็นเทวดาแล้วต้องมานั่งเฝ้าใครคนใดอย่าไปเกิดเลยนะเสียเวลานะบอกเลยไม่ปล่านหนาเราเทวดานะบอ้ โ, อโหหน้าที่ค้องแกงมากเลยต้องมานานั่งตามเฝ้ามันจะกินจะนอนจะถ่ายจะอะไรอู้เป็นนั่งเฝ้าตายเลยนะเข้าเวรตลอด2ี่สี่ชั่วโมงหนักกว่าองค์คารักกิกม เกี่เวลาเป็นรมอ่าฮอ่าก็ก็หลุดพ้นเป็นจิตที่หลุดพ้นด้วยสมถะนะอ่าก็คือมีฤทธิ์ไหมอ่ไม่แน่เสมอไปอฮอือ อันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งคนที่ได้สมาธิมากแล้วหลุดพ้นจากสมาธิก็ไม่จำเป็นจะต้องมีฤทธิ์ทั้งหมดพวกที่ได้สมาธิแล้วไม่มีฤทธิ์ก็มีน ะ, ะส่วนตัวฤทธิ์ก็จะจะชี้ไปในเรื่องของเจโตปริยญาณ น, นะอาเทศนาประียนคือจะชี้ไปเลยว่าเธอได้ฤทธิ์ประเภทไหนอย่างไรนะซึ่งพูะเจ้าจะจะทีายแตกต่างนะแบ่งเอาไว้ว่าแตกต่างกันอย่างไรนะนะ ได้นี่คือแบ่งแบบสองกลุ่มจะแบ่งอีกเจ็ดกลุ่มก็มีจะแบ่งแบบสามกลุ่มก็มีแบ่งเป็นกลุ่มศรัทธากายสิคขีทิฏฐิปัตตตัวกายสิคขีก็เหมือนกับ เ, เจโตคือเน้นสมาธิทิฏฐิปัตก็เป็นด้านปัญญา น, านี่แล้วแต่การจัดกลุ่มเนาะหมดและนะ้วเนาะวันนี้ก็ ไปลบความเพลียกันต่อเนาะหลังจากทำภารกิจส่วนตัวครับโยคีกราบพระอาจารย์ครับกลา